บุกทูยี่สิบห้าในเมืองดาร์ชาร์ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟมันมีขอห้ามเบรฟอีสกอเฮกตาร์เบรว ดิฉันต้องการไปที่สนามบินมันมีข้ห้ามไปฟูรุตกเบรวฟานดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองมันมีข้ห้ามไปมาร์คซซช์เบรวาดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะชจูรีเบอิสโกเฮกาทร์เบราดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ چ ฉจูรีเบฟูรุดก็เบราฟามดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะเฉจูรีเบมาร์คาเซช ن เ و รา ا ن ت ดิฉันต้องการแท็กซี่มันเป็นรถแท็กซี่เอื้ดริฉันต้องการแผนที่เมืองมันเปนแอื้ ดิฉันต้องการโรงแรมมันเบเยโฮเทลเอธิโอจจอร์แรดิฉันต้องการเช่ารถยนต์มันมีข้อห้ามยกออโต้โมบิลเชโรเยนานี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะอินคอร์ทเอเอเทบอริเมานัสนี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ این گواهی نامه رانندگی من است ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ در ش ه ر چه چیزی ب ر ا ی دیدن و ج و د دارد คุณไปเมืองเก่าสิคะ به بافت ์ د ی م شهر بروید คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ یک گردش با ماشین در شهر انجام دهید คุณไปที่ท่าเรือสิคะไปบันดาร์เบราดไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะยาดชิดาร์บันดาร์นิดยังมทีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะชะดีดดนิไฮดี้ยาริวจูดดารันกรุณาไปที่